หน้าที่ของชีวิตเราที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์พระครูเกษมธรรมทั์สุรศักเขมารังสี วันนี้เราก็มาทําหน้าที่เป็นพุทธสาวก ร, ร่วมกันในฐานะที่เราเป็นอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาผมเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พูดญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาก็ทําหน้าที่ฟังเนีย่ยเรามาทําหน้าที่ร่วมกันหน้าที่นี่นี่ตัวไปแล้วเนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญทั้งผู้พูดและผู้ฟัง การฟังธรรมะก็เป็นบุญการพูดคุยธรรมะแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นบุญไม่มีพิษภัยและยิ่งเราเป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยนาทีนี้เราขาดไม่ได้สาวกคือผู้ที่เข้าใกล้พระรัตนตรยัยใกล้พระพุทธใกล้พระธรรมใกล้พระสงฆ์ อันนี้ก็เป็นบุญการเข้าใกล้พระอรหต์ตยนี่ไเข้าไปเฉยๆข้าไปกราบไหว้ไปชมบารมีครูบาอาจารย์มองหน้าท่านแล้วก็ยิ้มมีปีติอันนั้นก็เป็นประโยชน์แต่ก็ยังเป็นประโยชน์ น, น้อยๆอยู่เมื่อเราเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เข้าใกล้พระพรหันต์ตายแล้วเราต้องหาประโยชน์ในส่วนนั้นให้ ม, มาก เข้าใกล้เพื่อว่าเข้าไปฟังธรรมอย่าไปดูเฉยเฉยธรรมะที่เราฟังเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเรามากถ้าเราพิจารณา ด, ดีโดยเฉพาะธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็นับว่ามีประโยชน์ที่สุดเข้าไปฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจให้มันเข้าไปในใจเราเลยเสียงฟังมาจากข้างนอก ผ่นหูเราต้องเข้าบริใจเราต้องฟังให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติแล้วก็มันจะลืมเข้าใจแล้วต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าถึงความพ้นทุกขจะเรียกว่าเข้าถึงธรรมก็ได้นี่คือหน้าที่ของพุทธบริษัทหรือพุทธสาวกธรรมทีแบบนี้แหละ ถือว่าสมบูรณ์แบบทีนี้การเข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วก็จะทําอย่างไรเราก็ได้พูดกันบ่อยๆหลายๆครั้งมันต้องมีจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องธรรมดานะการจะเดินทางการจะทําหน้าที่ก็มีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นี่ก็ต้องมาเจริญสติมาทําความรู้สึกตัวอยู่ที่ตัวเรารู้กายรู้จิตอันนี้ถือว่าเป็น ฐานที่ตั้งของสติเลยจะเป็นลมหายใจจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวในอิรลียบท่างๆอิเลยยบทใหญ่อิรลียบทน้อยเนี่ยเอามาเจอสติได้ทั้งนั้นแล้วก็ทางด้านจิตใจจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดปรุ่งแต่งในอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเราสามารถารู้ได้กายก็ดีจิตก็ดีเนี่ยทให้สติมันจเจริญ อะไรเกิดขึ้นก่อนให้เรารู้ก่อนอะไรยังไม่เกิดอย่าไปรู้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดนี่มันจะเป็นความคิดนะจะเป็นคิดรู้อย่างเช่นตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเรามีกายมันใกล้ตัวที่สุดเลยนะเราลองจับมาเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมีอาการไหวๆนี่นะถ้าเรารู้ลงไปได้แล้วก่อเนี่ยเราจะเลยสติแนละ้ว๋ยวคนที่ ชอบดูจิตชอบรู้จิตอันนั้นก็ดีอยู่ถ้ารู้ได้ก็รู้ที่จิตเลยก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่เกิดอย่างๆเรายังไม่ได้คิดอะไรใจ ย, ยังว่างๆอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปรอว่าเมื่อไหร่มันจะคิดเราจะได้ดูจะได้รู้มันจะได้ดูจิตได้อย่าไปรอในช่วงการรอเนี่ยจิตมันจะลอยนะจิตมันจะล่องลอยไม่มีที่เกาะทีเรียกว่าอะไรซ้ำพระเวฝี สัมภเวสีนี่อย่าไปคิดว่ารอต่อเมื่อตายแล้วอย่างเดียวนะปัจจุบันเนี่ยจิตเราเนี่ยก็เป็นสัมภเวสีได้คือล่องลอยไม่มีหลักเกาะเรารอเมื่อไหร่มันจะคิดสักทีนึงเราจะได้รู้มันระหว่างให้ดีจิตจะล่องลอยแต่ถ้าเราในช่วงที่รอเนี่ยมาดูกายเคลื่อนไหวซะมาจับสติลงไปที่กายเลยดูที่กายซะก่อนอันนี้จิตเราก็จะไม่ล่องลอยนะคือมีที่เกาะเอากายเป็นเกาะ ดูกายเคลื่อนไหวมันก็เป็นการปลูกสติอยู่เรื่อยๆเป็นการสร้างสติอยู่เนืองๆดูกายดูลมหายใจดูอาการต่างๆของกายจิตมีหลักให้เกาะถ้ามันคิดเราใหรู้มันวล้วมันคิดการปฏิบัติเนี่ยยายพลาดสองอย่างคือการมีสติดูกายดูจิตในอารมณ์ปัจจุบันอันนี้คือการปฏิบัติเราจะเริ่มรู้จักตัวเรารู้ที่กายที่ ว่ากาเรานี่มันเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นการศึกษาชีวิตคิดใจเราเป็นอย่างไรอุปนิสยัยอัธยาศัยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราเรียนรู้ชีวิตเราได้จากจิตที่มันคิดกรรมเก่าวต่างๆที่เราเคยทําอะไรไว้เขาจะมาส่งผลในอารมณ์ปัจจุบันเขามาป่วนคืนก็ได้มาในลักษณะของความคิดนึกความถนัดจุดอ่อนอะไรของเราเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นนี่เป็นการศึกษาตัวเรานะ เราเป็นคนที่สมาธิสั้นหรือสมาธิยาวก็ตรงที่การมารู้ที่จิตใจเราเสําคัญมากเลยนะเราจะรดสติอยู่รู้สึกตัวอยู่บางทีมันก็เผลอไปสมาธิมันก็จะสั้นไปหน่อ ย, อยเหมือนอยากก่างการดูทีวีมารู้ได้นานสมาธิยาวเพราะว่าถูกกิเลสย้อมปรุงแต่งการเดินจงกรมเนี่ยเราเดินจงกรมได้เดี๋ยวเดียวเราเบื่อละอยากจะเลิกละก็จะเป็นสมาธิสั้นเหมือนการเดินไป เดินดูของเดินช้อปปิ้งเราเดินได้นานเพราะอะไรเพราะมีตัณหาที่คอยหนุนหลังเราต้องมีสติรู้ให้ทันมันไม่เป็นไรนะสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดนะการปฏิบัติเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเรามักจะกลัวผิดนะทันไปกลัวผิดมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราผิดแล้วเราปฏิบัติตั้งนานทำไมมันคิดบ่อยมันไม่ผิดหรอกธรรมะเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะศาสนาธรรมผิดถูกก็เป็นเพียงสมมุติ สำคัญที่ว่าเรารู้ทันหรือไม่ทันเท่านั้นถ้ารู้ทันอ๋อเราก็มีสติถ้ารู้ไม่ทันมันก็ขาดสติแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่ามันรู้ไม่ทันแล้วก็เราก็ยังมีสติอยู่จะว่าไปแล้วนี่มีแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นรู้ว่ามีสติหรือรู้ว่าขาดสติจะรวมลงอยู่ที่รู้อย่างเดียวการกระทําอะไรก็ตามจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบจะเป็นกุศลหอกุศลเนี่ยถ้ามี รู้ตั้งอยู่แล้วก็ใช้ได้แต่นั้นแล้วต่อไปอาการเหล่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆคลายลงผู้รู้นี่จะเด่นขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวผิดทําลงไปเลยผิดก็ให้รู้ว่าผิดเนี่ยเราก็ยังได้สติอย่าไปกังวลถึงเรื่องตลาดตําราที่เราได้เคยอ่านได้ฟังมาอย่าไปกังวลการปฏิบัติในชีวิตจริงเนี่ยไม่เกี่ยวกับตาําราตําราเนี่ยก็เขียนมาจากตัวเราทั้งนั้นแหะเขียนออกไปจากการปฏิบัติจึงกลายเป็นตาํารา แสดงว่าในตัวเราเนี่ยเป็นตำราเล่มใหญ่ต้องดูตัวเราก่อนเมื่อเราดูตัวเราแล้วดูกายดูจิตแล้วลองมาดูตำรามันจะได้รสชาติมากอ่านตำราก่อนแล้วมาปฏิบัติบางทีไม่ค่อยได้รสชาตินะเราลองมาตรสติแล้วาา ล, ลองไปอ่านตำราดูสิมันจะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งเราจะรู้แล้ ว, ว่าอ๋อกายของเราเนี่มันมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรบ้างบางทีถ้าเราขาดสติ แลมุ่งแต่การทางานเราจะไม่รู้จักกายเรานะไม่รู้จักตัวเราเพราะเราไม่ได้ดูตัวเราดูแต่สิ่งภายนอกแต่พอมาเจริญสตินี่สติสอนให้ดูกายดูจิตมันจะเห็นตัวเราเข้าใจเอ้อนี่เรามีโรคภยัยไข่เจ็บอะไรบ้างจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนกําลังมามีแค่ไหนมันจะเริ่มเข้าใจนี่เราเป็นการศึกษาตัวเองก็ทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าเราจะ จบชีวิตไปอันนี้มีแต่การสะสมกุศลไปทั้งนั้นแหละถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วมีอาการเคร่งเครียดตึงหรือแม้แต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยการใช้ชีวิตที่ผิดปกติมันก็จะมีการเคร่งเครียดตึงนจะสังเกตดูได้คนที่เพ่งหรือตั้งใจามากเกินไปหวังผลมากเกินไปเยจะมีอาการเครียดจิตจะฟุ้งจะมีแต่ความสงสัย หนักๆบางทีปวดต้นคอปวดศีรษะอันนี้แสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปเพ่งมากเกินไปการปฏิบัติจะเห็นว่าเพ่งมากเกินไปตรงนี้แหละแม้แต่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเข้มเคร่งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีอาการตึงแน่นเหมือนกันนะปวดศีรษะเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดานะคนที่ปฏิบัติแล้วทําอะไรก็ตาม ทำงานก็ตามปฏิบัติธรรมก็ตามหรือจรตละติ๊ก็ตามถ้ามีอาการเบาๆผ่อนคลายแล้วก็อันนี้เราไม่ได้เพ่งมีได้ความผ่อนคลายสบายๆจิตเบาๆมันไม่หนักถ้าจิตหนักแสดงว่าเราเครียดเราเพ่งอันนี้เป็นทางของนักปฏิบัติวิธีการแก้ไขก็คืออย่าไปยึดไว้อย่าไปจับเอาไว้ให้รู้แบบแตะๆรู้อยู่ห่างๆใจมันก็จะผ่อนคลาย มันจะไม่เข้าไปอยู่มันเผลอคิดไปบ้างนี่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเครียดอย่าไปโกรธเผลอคิดไม่เป็นไรอย่าไปเผลอโกรธเราเนี่ปฏิบัติอยากให้มันสงบให้มีความสงบไม่อยากให้มันคิดแต่พอมันคิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เครียดเป็นทุกข์เลยอันนี้ไม่ใช่มันเผลอคิดเราก็รู้ว่าคิดมันก็ใช้ได้แล้วอย่าไปโกรธตามหลังทาไ ม, มาเราจึงคิดมากไม่ต้องโกรธ แต่ถ้าเผลอโกรธไปอีกครั้งหนึง่งเราก็มีสติรู้ทันอย่าไปปรุงแต่งต่อถ้าปรุงแต่งต่อจากความโกรธแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาการออกมาทางกายทางวาจานะมันก็จะไม่ใช่เป็นการปฏิบัตินะมันจะหลงลืมสติไปนะจะเป็นคิดซ้อนคิดไม่ได้ไปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นมันเผลอคิดอ้าวเราก็รู้ซะเราได้สติแลนะ้วจบอยู่ตรงนั้นถ้ามันยังคิดไม่เลิกก็ไม่เป็นไร เราลองวางความคิดนะมาดูกายเคลื่อนไหวทาสติอยู่กับกายกระดิกนิ้วหายใจลึกๆล้วมีสติตามรู้แค่นิดจิตเราก็ออกจากความคิดได้แล้วมีอีกหลายวิธีถ้ามันคิดไม่เลิกเราก็สังเกตดูนะการดูจิตเนี่ยดูความคิดอยู่ห่างๆดูแบบแตะๆ แ, แบบสังเกตอย่าไปจ้องดูอยู่ห่าง àng, อย่าไปจับ มันอย่างกับคนสองคนกาลังยืนดูกันเราดูอยู่ห่างเนี่ยจิตมันจะปลอดภัยนะมันจะไม่เข้าไปอยู่ไปเป็นที่อผมเขียนบอกว่าเป็นผู้ดูทำายังดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนญาบทซนะไปทําสิ่งอื่นอย่างมีสติเนี่ยเราก็ออกจากความคิดได้อย่าจนปัญญาอย่าจมอยู่กับความคิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกายก็ดีทางจิตก็ดีความคิดความง่วงความหงุดหงิดความเบือ่อ ที่เรียกว่าความทุกเนี่ยเราก็อย่าไปท้อแท้ความทุกเนี่ยดีนะมีคุณมีประโยชน์ถ้าไม่มีความทุกเนี่ยเราคงไม่มีศรัทธาความทุกทำให้เกิดศรัทธาหาประโยชน์จากความทุกให้ได้เรานั่งอยู่นานๆมันปวดมันเมื่อยหรือทำงานอะไรกนตามเนี่ยมันปวดขาปวดเขา่าอย่าไปเป็นทุกข์กับเขาแห้มันปวดอยู่ที่เขา่าอย่าปวดอยู่ที่ใจ ให้ใจเรารู้ไว้ดีแล้วที่มันยังปวดเขายังมีข่าให้ปวดบางคนไม่มีข่าให้ปวดนะคนขาข า, ขาดขา ด, ด้วนเนยเขาไม่วปวดเขาเราโชคดีแล้วยังมีข่าให้ปวดเราไม่ต้องเป็นทุกข์เรืัอนวางกิจวางใจให้ถูกต้องทุกขนะ์เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับเรามากถ้าเราไม่ปฏิเสธหรือไม่ทอแท้ความทุกข์ทำให้เกิดความขยัน ความทุกข์ทำให้เกิดความอดทนความทุกข์ทําเรารู้จักช่วยเหลือตัวเราเองถ้าไม่มีความหิวไม่มีความทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากความทุกข์ทำให้เกิดประสบการณ์เป็นกําไรชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรปฏิเสธเรามีหนี้สินมากมายเราเป็นทุกข์อย่าไปคิดอย่างนั้นหนี้สินเนี่ยทำให้เราได้ขยันนะคนไม่มีหนี้มีสินไม่ค่อยขยันไม่ค่อยกระตุ้นลน้น ก็ยังเคยมีเจ้าทามบางท่านมาคุยว่ามีความทุกข์มากมีหนี้มีสินผมว่าทีแล้วเนี่ยเราเป็นคนมีระดับนะคนจนเนี่ยมีหนี้น้อยแต่คนมีหนี้สินมากเนี่ยโอ้เป็นคนไม่ธรรมดานะแล้วมีเครดิตเพราะนั้นไม่เป็นไรนะเราก็ทําการแก้ไขไปมีปัญหาก็แก้ไขไปอย่าไปเป็นทุกข์เราได้รูปนามขันทาจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเลยประโยชน์สูงสุดคืออะไร คือปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ะเพราะรูปนามขาน่านี่เป็นทุกข์เราต้องลงมือไปบับให้มันพ้นจากความทุกข์และเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์กับผู้อื่นแต่ว่าเราใช้ประโยชน์จากรูปนามขา น, าน่าเนี่ยถึงที่สุดแล้ว